ฝรั่งมีเหตุผลเข้ากับธรรมวินัยแม้ท่านจะกลับมาเมืองไทยแล้วแต่เช้าองกฤษตผู้สนใจจำนวนมากอยากนิมนต์ให้ท่านเดินทางไปแสดงธรรมอีกท่านพูดในเรื่องนี้ว่าท่านก็ชราภาพมากแล้ว ไม่สะดวกต่อการเดินทางเหมือนก่อนท่านรู้สึกชื่นชมฝรั่งชาวอังกฤษว่าเขามีความสนใจใครรู้ในเรื่องจิตตภาวนาและพยายามปฏิบัติกันจริงๆท่านเล่าเพิ่มเติมว่าคราวที่ไปประเทศอังกฤษทีแรกก็ไม่ค่อยมามากนะ ชาวอังกฤษคนไทยก็มามากชาวอังกฤษก็ไม่มากนักไปไปมามาก็หนาเข้าหนาเข้าสุดท้ายเลยมีแต่ผู้ฝรั่งเต็มหมดเลยเวลามานั่งอยู่นี้เหมือนผ้าพับไว้นะใครก็เหมือนกันหมดเราก็เสียดายเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็ต้องผ่านล่าม ท่านปัญญาเป็นล่ามเวลาเขาถามปัญหามาเราก็ตอบท่านปัญญาก็ตอบแทนเราไปดูแล้วน่าสงสารมากมาทุกวันพอหกโมงเย็นเขาก็เริ่มมาเราก็พานั่งสมาธิสามสิบนาทีทุกวันทุกวันจากนั้นเราก็อบรมอีกประมาณสามสิบนาทีตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ ปี 2,517 น้า่าสงสารมากบางรายเขามาแรกๆเขามาสังเกตการทีนี้ไม่ได้เลยมาอยู่ไม่ได้คำว่าสังเกตการเลยหายหมดเลยไม่ได้มาอยู่ไม่ได้อยากมาเป็นกำลังก็เลยสนใจทางด้านธรรมะไปเลยพูดความจริง พวกฝรัง่งเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษนี้รู้สึกมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์กับธรรมวินัยนี้เข้ากันได้เป็งเลยทีเดียวอย่างที่เราไปอยู่นั้นไม่นานนักโหน่าสงสารเหมือนกันนะฝรั่งร้องไห้มีเหรอเรายังไม่เคยเห็นร้องไห้เรื่องอัตรเรื่องธรรมนะนี่เห็นแล้วเห็นต่อหน้าต่อตา ก้มหน้าปับนี่น้ำตาร่วงน้ำตาร่วงพอครูบาอาจารย์จะจากไปมานี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันเก้าอี้นี่ไม่มีความหมายนะนั่งแทกกันเต็มไปได้หมดเลยไม่ถือกันเอานั่งยังไงนั่งเลยแทกกันไปหมดเต็ม นี่ถ้าหากว่ า, าศาสนาพุทธเรานี้เป็นผู้มีหลักศาสนาจริงๆประจำใจทั้งภายนอกภายในแล้วชาวอังกฤษนี่ละ่ะดีไม่ดีจะเป็นเจ้าของาศาสนาพุทธเราด้วยซ้ำไปเพียงไปเท่านั้นก็รู้าศาสนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันไม่ใช่ธรรมดาหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวัน เขาพอใจในการตอบปัญหาคนหนึ่งเป็นคนถามเราก็ตอบจนหายข้องใจเขาพอใจการตอบปัญหามากเช้าอังกฤษก็หัวเราะเก่งเหมือนกันนะหัวเราะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเดียวว่าฝรั่งร้องไห้ไม่เป็นฝรั่งหัวเราะไม่เป็นฝรั่งร้องไห้เป็นหัวเราะเป็นเห็นแล้วเราเห็น เวลาปัญหาใส่ปั๊บนี่คือมันถูกอย่างถนัดว่างั้นเถอะใส่ปั๊บนี่หัวเราะเ อ, อิกอากมันถูกใจเข้าใจหรือเปล่าต่อปัญหามันหากมีแหละปัญหาก็เหมือนกันกับเราเพราะความเป็นอยู่ของจิตมันเหมือนกันที่เรียกว่าชาตินั้นชาตินี้มันเอาชื่อเอานามไปตามลักษณะเฉย รูปร่างกลางตัวลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าชาตินั้นๆเฉยๆก็คนหลักของคนหลักของกรรมมีอยู่เสมอกันหมดอันนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคำว่าคนเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วหลักของกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีเหมือนกันหมด